คำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกตัวทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาะถาไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์ เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวีนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัต์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจาก มหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่ครองนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีเลียญาณครองไม่เรยมีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้น โดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นย่อมัญอันเป็นหลักใหญ่ของคําว่าโลก เราจะพานาถเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกกระฐานนี้แล้วหาที่ซึ่งสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอาจได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคา คำว่าเป็นสัตว์ก็ย่ยอมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกที่มีประจําอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจําที่ว่าไม่มีทุกเลยนั้นเป็นไปไม่ไดไ้ต้องมีทุกมากทุกน้อยเช่นแต่ท่านผู้ติดสิ้นเชื่อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์ มีความติดข้องอยู่ในอำนาจของวิเลกที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำวมาโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่ และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คานวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ทาละเชื่ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาพาในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตาม ใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่นี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ต่างธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดย ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการ ต, ตามเวลาตามวรระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดย ความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความทะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้ไป อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในใจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้ สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระไถยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่ อ, อประกาศสาสนาธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหา มหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้านี้อเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัย <c oughs> มีการมาปฏิบัติต่ออาถธรรมทั้งหลายเวลานี้ <c oughs> ก็เท่ากับเรามาแวกมาไหวมหาสมุทรมหานิยม อันเป็นเรื่องของกิเลสด้วนล้วนฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติกี่แนบสนิทไม่มีรสชาติกินใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของจักนี่เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัย ทำเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ยอมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้การความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผลิขึ้นมาจากเื่อเหลือเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้ สะดวกสบายต้องได้ชำระศาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระศาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาบและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบาเพ็ญพระบรารมี ทั้งหลายหมาก็เป็นโมคคะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมคคะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสต า, า, าของโลกทรงตระเกียรตะกายมาสม้สมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่แต่ละพระองค์ในการตระเกียรติกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ขั้งปฐมมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า ครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามสินทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเลื่อยมาเพี้ยนเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางโคดรทางอ้อมพคตที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่น เพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดราและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดําเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกพบทุกชนจนกระทั่งได้จัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลําบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์พระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั่นด้วยเหตุ น, นี้เราผู้มาพุทธปฏิบัติ จึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบําเพ็ญตัทธกิจตระกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแลลมคมที่ที่เหนียวแน่นแก่นขลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆ น, นี้บ้างเลยแล้วก็เกินผูกเกินประพูตเจา้าทำมีแต่ความต้องการเถยโดยไม่เดตั้งหน้าต่างตาฝ่าฝืนต้าเดินตามทางจะยากลาบาก ขนาดไหนก็ตามเราต้องขท้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้เราจะพออย่านยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละลายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการตระเวนปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศ ทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียนท่าใดของการแก้ที่เด็กถอดถอนที่เด็ดออกจากจิตใจจะยากจะลำบาก เพียงไรก็าตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละทอ้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่ที่พักนั้น ม, มีการประกอบความภาคเพียนก็เหมือนกัน การพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหกการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังลังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียงต่อไปอันนี้เป็นคู่เทียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักได้ จ, จนจบนอนก็ไม่รู้จักตื่นอั น, นนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่ม ท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็าอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพัพกผ่อนนะเพราะยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังษาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียนในอียบบทหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอย เวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นต้นเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเอาเองและโลกโทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิตรใสของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั่งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัดทรงทรผูที่จะผู้ที่จะถอดถอนพิเลตการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใด อยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้กว่าก้าวเดินเดินจงกลมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกลมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่อเพื่ออิริยบทให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติ ให้แนบให้ติด ก, กันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบุญกรรมก็ให้สติแนบติดติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ ให้เป็นสัมปัตชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปัตชัญญะนี่ก็ฮะก็คือชาไปที่สืบต่อเนื่องกันไม่พั้งเถินนั่นเองนี่เวลาเหนื่อยเมื่อยลาตามธรรมาดาร่อมอยากจะหยจะพักก็หลับตะนอนแต่คําว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะ ต่อสู้ความเหนื่อยเมื่อลานี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนเช่นเดินจนคมนานๆ น, า น, นี่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญานี้ทางก้าวเดินและเป็นตัวขึ้นตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียร น, นั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอีบด ท, ทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้น ถึงจะเหนื่เหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับ <c oughs> อิริยาบถแห่งการเดินของเรามีก็เรียกว่าความเพียรความเพียร เ, เดินผู้ทําความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินจะเหนื่อยเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทํางานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปได้ด้วย พักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทําการงานด้วยการก้าวเดินมีานการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหน็ดเหนื่อยบ้างแล้วก็แค่หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทําเล่นทําเป็นพิธีทําไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี่เลยผู้ที่เห็นโทษ ในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียนที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปเรื่อความสะดวกเสริทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอ น, นี่เดี๋ยวเราเดินจงกรมไม่ใชเดินเพียงช่วงระยะเวลาหรชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็อยู่ จะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็นรู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเราเป็นคนเป็นๆเ น, เนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชาระกิเลสนั้นจะนานจะเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลาเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกาหนดเวลาเวลานั้น นั่นแหละวิเลตมันจะหัวรากผู้บําเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้แล้วต้องพุทสาพยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในเอิยาบทเดินเอิยบทนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุก ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นถัดจากธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกมากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิยาบทใดก็าตามความเพียรในท่าใดก็าตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงดูทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเหล่เหล ะ, เ ห, ละเหมือนจะห้อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนอ่ะ ทั้งๆ ท, ที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินผ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนประนันแล้วเข้าในหลุมกิเลสใหกิเลสต้มปุ๋นแล้วจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพลียนมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกรูนอกทางอยู่เช่ น, นี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภากเพียนด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิเดียบทใดก็ตาม เป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้ว ท, ทําไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรทากเข้าแนบสนิทติด ก, ก, กันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้าง ท, ทําไมกิเลส จ, จะไม่ร้อนตัวละ่ะนี่นี่จะทําให้เกิดหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจังกมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่ง จะท่ายืนก็ศักดิ์แต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามคุณจีว่าท่าความเปลี่ยนมันเป็นท่าเหลีวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลีวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้ยีเหล่อมันร้อนตัวได้อย่างไงนอกจากมันจะหัวร้อนย่อเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคําว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมลมแร ง, แรง โดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาพาในใจอ่านเป็นผลประโยชน์จากความเพียร น, นั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายแล้วพิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ามันอยู่ลึอกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเท่อย่างไงก็ต้องเจอน้าน้า ย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอนันนี้นี่มรรผลิพพานย่อมไม่ย่อมมีอยู่ในสาสนาธรรมของพระเจ้าที่ตรัพไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยศาสตร์เป็นสําคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นพระจักรในธรรมทั้งหลายเป็นข่านขั้นขึขข้นไปจ น, ททนจะทั้างลิมุดตุดพ้นการหนีจากอริยศาสตร์นี้ไม่ได้เลยอริยศาสตร์คืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างลัทิคนเราอืมไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลย ต้องทนพินิจพิจามันไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเหล่านั้นแหละเป็ น, นสาคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทําความเพียรถ้าเจ็ด บ, บ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหดีปลิบตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัย<ม>นี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทํากันได้<ม>เดิน เหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรอท่านดูท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั่นเลยกคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่พิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนเลยไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราที่จะซ้ําไป พิจารณาการประพฤติษปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนามันทุกข์ขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรกเป็นจุดที่พิณิพิจารณาเราอย่ากลัวาตายเราอย่าอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุ ท, ทยัยทุกข์ิงกาเนิดสืบสารมากขึ้นเรืแบบ่อยๆและถอยจุดไปไม่ก็ อาทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทําไมเราจะทนได้จับโลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจทั้งเหล่านี้เท่านั้นทําไมเราจะตัวตายนะัก พิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอา้าหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสมุนไพรของเราขณะที่เรานั่งมากมเช่นกระดูกกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวข่าเป็นต้นี่ ม, มันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทกจะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์หรือ เพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตเจอลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติเจอลงไปตรงนั้นความรู้สึกเจอลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอแบบเผาไฟหรือ ข้างทิ้งที่ไหนมันมันบน่นมันเจ็บไห ม, มันไม่ได้บ่นไมาเจ็บนี่แล้วแล้วแล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี้จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกเนีแยให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอนสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยกัญญาจนกระทั่ง ดูแจ้งเห็นชัดในทุกในอวัยวะที่สําคัญว่าเป็นทุกเช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ชความสําคัญเขาได้แก่ชัญญ้นยาสําคัญว่านั้นเป็นทุกอันนี้เป็นทุกย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกเพราะความทุกมากและแยกแยกกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอย เรื่องสติปัญญามีท่าไหลให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกแต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี่เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกนี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงเวลาที่จะควรทําเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลท่าไหลนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลท่ลยัยจะทําวิธีการ ในเรื่องความเพีย่ยนในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลา ก, ออกไปวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงทำความเพียนไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏปลายจิตใจเลยเช่นอดทนนี่ชาติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียนดังที่เป็นมาอย่างนี้ ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทาอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยกขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกเป็นต้นบ้างละ่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอก จะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้ส ม, มุกสําบันิได้ผ่านเป็นฐ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นํามาพูดอย่างโก้เกอ๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงใช้เฉยนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บําเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละ เน้กิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามถอวในขณนะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดลั่งเหลือตะกิดผู้รู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าคุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนมากเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลย นั่นจริงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้ใดเช่นให้ทุกข์แก่กระดูกเป็นตน้นที่เราสําคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ที่นี่กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็กรสักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกข์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วย กระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่ง น, นี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเย็ยนมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทําไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตจะสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสําคัญมานั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกหมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทําไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในใกายในจิตของเรานี่แท้ๆ นี่แล้วเมื่อมันทราบจค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคําว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะ น, นี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็าตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดําเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึริงๆเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจําเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็ถือ ฝังลงในขั่ขวหัวใจไม่มีวันถอนเลย น, นั่นนี่หละการประกอบความภาคเพียรเราคุยเขียวขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างสี่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทําไมจึงเดิ น, ดนจงกรมเยาะเยา ะ, ย ะ, ยะทําความภาคความเพียรเยาะเยา ะ, ย ะ, ยะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทําไมอยู่ได้ทําไมไม่มีความมิจตุจจาร์ตนเองบ้างไม่ลําพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไง มันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกหยอกนั่งสมาธิก็ง่วงเงาเข้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลคนใดอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิ ทำผู้ทีเจ้ามีอยู่สดสดร้อนรก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสารนธรรมหรืออายะสัจ ส, สีพาในการในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรคนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามากโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแทะๆความเป็นเป็นหนังนั้นแทะเอาความจริงออมาพูดเนี่ยแล้วทําไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู่ราวอะไรเลยเดินยังกลมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนมาตั้งปั่นนี้นั่งสมาธิภาวนา ก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเะหล่อแหแหล่เหลวเหวไหลไหลโลเลโลกเลดังที่เคยเป็นหมามันตึงได้ทั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามักผลนิพพานอันยิ่งเจที่โสดังดวุทยเาทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรกากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มสุนโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้ มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัววันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมูกรบเพาะ น, นี้ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่ อ, อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกกระแทกนี้พิจนาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ม, มันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสานมาตั้งแต่กับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมานหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหาก กับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมยอย่ามาขีดมาขวางธรรมยอย่ามาเหยียบย่ําทําลายหัวอกของผมที่ได้แนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นไพร่ก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นไพร่มาตลอดเวลาทําไมจึงให้มันอาถรรพ์ก้าหารเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะมะกรรมาฐานของเราด้วยแหมมัน ไม่เือกึกคือเลือเกินน่ะนั่นจลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาเลยสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นยักษ์เป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่ให้เปอาจเป็นธรรเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่สี่เ่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนมันเป็นยังไง มันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันมันทําอะไรให้เรานอกจากมันจีดมันขวางหัวใจให้ก้าไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก้าขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี้แล้วแสดงอากาศทิยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสารไม่มีใครขวางกับขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ําทะหนักตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทาําอำไงการสอนเรื่องความภาคความเปลี่ยนก็สอนมาอย่างนี้ นี่แหะคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อเซ่ซาซมันก็เป็นเรื่องของจิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกรอมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่าซถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพลิกหาอีกพลิกหาอยู่นั้นตลอดเวลานั่นจริงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดตันดานจิเลส เอาให้อยู่ในเงื่อมมือต้องเป็นหนังนั้นผู้ปฏิบัตินี่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็ท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนผ่นดินแล้วก็ว่าได้ทาความเพียรหัวใจมันเป็นอย่างไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปแทลุงที่ไหนเขียงไหนืหอจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเขี่ยลงในป่าชาฤฤฤ้าผีดิบไปหมดแล้วเขี่ยลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเรา เป็นกลายเป็นมู่เป็นพูดไปพอกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่เหรอผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เวเลยบัดเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่า น, นี้ตามทางของศาสนาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเป็นผู้ที่โง่เขลาว่าปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอํานาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหวัวใจโลกได้หรือ แล้วทําไมพุทธเจ้าจึงโผขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมเหยือว่าเป็นของดีของดีหรือความยี่เกียดกค้านความทอดแท้อันในแล้วหลายนี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้ก็ทอแท้อะไรทอดแท้ที่จะจะกล้าไม่กล้าข้อสุธรรมมันสิทอดทอดแท้หลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะี่น่ะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหลยการเที่จะปฏิบัติเป็นยังไง นี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นํามาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพินนาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดําเพลนมาอย่างไรนี่อันหนึง่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องนิยามพอหมู่เพื่อนจะนําเป็นไปเป็นคติ ถึงข่าเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาวจริงควรจะได้จริงถึงข่า อ, อกาักขาดกา็ขาดควรจะใหเ้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลา ย, ลายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นไปตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล่มลูปกคุคานค้ามตะเกี่ยวตะกาต้องตะเกียบตะกายทีขัน้นขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้ หรือเราจะอยู่อย่างนี้อยู่ยนี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรวิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมัน อ, อะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเทินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิ มันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ว่าอย่างไรถูกมันกล่อมตลเวลาเราไม่รู้ตัวใช่ว่าเราฉลาดอยู่เหรือเปาเอาเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันทีเมื่อถึงนล้วมันจะรู้แพงของกิเลสกิเลสขนาดขนาดไหนแบบใดแพงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบขายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกคลองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มี ความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในขขแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทําไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีน้ํา้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวานอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้สองพันห้ารอปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ร่ามันยังไม่ไม่ตื่นเลยจะว่ายอย่างไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกี่เร่เต็งขนาดไหนเอามาเทียบกันสิที่ชนาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอยู่นี่ตลอดเลยละถ้าไม่เอาธรรมเข้าไป ตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งพาในหัวใจนี่เลยเนี่ยแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกอนี่ยมันเยียบหัวใจไปเกิดในภพนั่นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกมีเหลยฟังแต่ว่าเกิดเกิดชาติปิสุกขาท่านว่าไงท่านท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้เดลวยหรือว่าชาชาติปิสุขขามีไหมชาปิสุขขามีไหม ฟังเถอะท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ถ้าไม่บอกว่าเกิดเป็นสุขพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขไปแล้วผู้ริชา้าะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในจริงความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าประกาศสอนพวกเรากลางวันมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำลับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระไทยัยพองผู้ริจ้าซึ่งตัางบานอยู่ในตำลับตำรา ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็ก ก, ก, ก, กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความปิ๊นิพิจารณาและจะ ก, กังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอา่านใครทาอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทํากรรมทำเบญเกี่ยเราขนาดไหนก็เด็อนั่นพี่ารณาถ้าไม่เอาจริงๆอย่างจริงจะไม่เห็นนะ เนี่ยคนอุบาต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมาฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลาเนี่ยเขากำลังนับถือกรรมาฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสานเนี่ยอืมแล้วในกิเลสมันกล่อมเนี่มันสมเหตุสมผลหรือเปล่ากิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวข้นมามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ่งไปกิ่งมาอยู่นั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดตาบ้านตาด เกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มบ่ามีแต่กีเด็ดทะหลงติ้งไปกินมาเนี่ยใครอยู่จะจะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดต่อบรรันตานี้ดูได้ไหมเห็นหนั่นแต่พระเน้นในวัดต่อบรรันตานี้เป็นขอนสูงให้กี้เด็ดเตะไปถีบมายันไปยันมาติ้งไปกินมาอยู่ทะหลงไปตลอดเวลาอย่างเนี้ยไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากีเด็ดได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดต่อบันตาได้ต่อยกีเด็ พอให้กิเลสมันสะดุ้งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันกุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความสุขสมบูรณ์อย่างนั้ก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแ่ะตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดลูกก่ะนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออ นันจะไม่ได้เกิดความสดุดสังเวชมาตรงทํามาสังเวชภายในวัตตาบรรดาลเร า, เรายัางจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือแม้เราเป็นพระกรรมาฐานไม่ได้คิดบ้างเหรือว่าเราแพค้คดิษฐ์มาวันย่างขําคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกรทั้งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลําดับลําดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลําดับลําดับ แล้วขณะกิจที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละครับจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีบิดตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแป๋นแง่แงหลายสารพันคมที่ต่อยกับยิเลศนั่นนักปฏิบตัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่ อ, อไหร่มองดูเมื่ อ, อไหร่มีตัวที่ยีเลศถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมาฐานมันสลดจังเบีจะตายไประมาน่นะนี่ว่าไงได้พระกันคิดยังไงบ้างหรือหรือไม่ แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชนมากี่ภรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้ด้วยแล้ยังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมลมแรงแรงที่ไหนือมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมลมแรงแรงเฉยๆภูมิใจลมลมแรงแรงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รูปไหมอันนี้กนอันนี้ก็เป็นกลนหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรบ้าแต่เงาต่อยเงาไปตัวที่เหลสยิงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อะไรอย่าง พิจารณาสิผู้ปฏิบัติทําความภาคเพียรไม่ไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกรเปล่านะ่ะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยห้าหักไม่ใช่อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลียนเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นําเรื่องมาของกิเลนที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้น นำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนําเรื่องความฉลาดให้ทันเพลศมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โ ง, ง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารอุปนิสัให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉหลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเตียงไกล ทันกิเลตประเภทต่างๆโดยลําดับลาดานทันแล้วค่าด้วยค่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับนั้นนี้ก็เด็กพูดพูดให้ฟังจงขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดคอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงกายของสีิปัญญาที่ท่านุบาลกิเลตมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากรีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้กิีดนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกพุทธรนั้นมีไหมทีนี่มันไม่มีเขารู้ว่ามันไม่มีที่ เมื่อเป็นอย่านั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อควรมายุเย่มาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากที่ตลอดมาจนกระทั่งปับันนี้และยังจะเป็นปอีกหาที่มมาแล้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเเท่านั้นไงพอเมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้ใช้คนใดอุบายใดขนแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดหม ด, ด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าเหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกย่ให้ผมทําอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้ พูให้หมูขั้วอันฟังแล้วก็ยังไม่ได้น่านได้หลังอะไรเลยทําไงมันไม่ไ ม, ไ ม, มีไม่มีเคล็ดมีรับอไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องคุณค่าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ค่้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ ท, ใทําังไงนี่จะให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทํำยังไง เราไม่อายเราบ้างเหนือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหนือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่หลือแล้วเราจะเป็นระเด้วความแพ้ภูมิใจไปดยความแพ้กิเลสนี้หรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะบังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้หรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามี กิเลนี้มันเยียบมาทั้งเท่าไร่แล้วมันน่าเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจาทุกทุกวงสอนว่ากิเลเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษยสถาคตะมันไม่เกินไปแล้วเหนือพินาสินี่มันอกจะแตกกอน่นาถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภเพียนให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทาง ทางที่ราบลื่นมันก็มีคู่ครก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอนะไรมีมี ม, ม, มีไปเดิลำดับำลำดัก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ทิงตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคูา่ครากู่คราะเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางขี่ทางแหวกไม่ได้อยู่ทำไมแมวก็ไปนุ่งก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแหวกไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีทนั่นก็เหมือนกันที่การต่อทูบกิเลส ไปทางไหนมันมีตัวตรงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพี่ยนช่องแห่งสติช่องแห่ ง, อ ง, องปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไปนี้มีเป็นช่องทั้งนั้นเนี่ยไปได้ตรงนี้ทําไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ต้องสอ ง, สองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรานี่ความเพียนต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายที่มะเปล่านะ่ะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายที่มะเป่าแล้วเหมาะกับความเปลี่ยนต้องเรา สติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทนันยับนึงก็ไม่ทันที่เด็ดเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียวกว่าความเปลี่ยนดัทงที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉ ย, เ ย, เ ย, เยๆไปอย่างนินเดินก็สักแต่ว่า น, นั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนดูบ่ายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่ง ที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างนั่นก็ไม่ปรากฏเปล่าไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นนะหนาแน่นไม่ไม่ได้บกพองแม้่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไปไ ด, ได้นี่ว่างไงนี่ที่ม ไ, ไม่น่าทุเรศทางมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเปลี่ยนมันต้องมีบทมีบาทอที่จะทุ่มกันเป็นระยะระยะระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียน เ็ยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นอมันเห็นจะติฉันมันเห็นจริงๆ ร, งรงนี่นะเออไม่เห็นจะมาคุยได้ยังไงนี่มาแท้หนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงจริงไเห็นแล้วจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแท้อยอมรับโดยโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะอืมก็มันเป็นแล้วทำพุทธะเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทําไมไม่จริงเฮ้อพุทธะสอนให้รู้แท้รู้แล้วทําไมพูดไม่ได้วะเอ้อ แต่ไม่รู้กันยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันชนะจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องกิเลสมาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรออืมันเห็นมาจากในใจของตนสิมันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธานอันนี้เปยังไงเรื่องของกิเลนี้นั่นเอมันยังนั่นที่ฟานมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นอ่าจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลมันบีบังคับตลอเวลาจิตของเราดีดพึงออก แลาาาว้วนนเอาขี้เล็ดมาเป็นอาหารว่างโดยช้าไปนั่นน่ะเป็นยังไงท่านเห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอาขี้เล็ดมาเป็นอาหารว่างแค่นั้นแต่ก่อนมันเป็นอนื่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนก็ประจานให้โลกเห็นอ้อ ร, รีบมารีบมานะศาสนาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องอันนี้ไม่สงสัยไม่สงสัยาสนาคตได้พาดําเนินมันอย่างนี้นี่ให้ดําเนินตามศาสนาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแก้ขไขปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภายใน ในไม่ช้านี่เป็นดังนั้นที่ว่าสวกธรรมสวกธรรมตัดไม่ชอบแล้วดีแล้วตัดไปดางนั้นนะไม่ผิดเอาเอาเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะยาไปทางอื่นนะทุกยากลําบากนั้นนอะเอากลาต า, า, ามทศกุลที่นะทศกุลเคยเคยลําบากมาแล้วถึงกันฉลอบทศกุลยังไม่ถอยเอาจากานกระทั่งเลยตัดสูนี่ยาถอยนะนความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนเสถวดร้อนๆ อ, อ, อย่านั้นพิจารสิผู้ปฏิบัตินี่นระาทำมุ่ยเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายยิเงใหญตลอดเวลาให้นำมาใช้ใเถอะ ยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ day, ให้ความเพียรพัง่สิือ้มันเคยเห็นกระดิญมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอันกิเลสเอาความเพียรพังนี้มันด้วยกันทั้งนั้นเลยไอ้เราเอาความเพียรนี้เอาพังกิเลสนี้มันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสําคัญไอเห็นในหัวใจเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิ คว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมของกิเลสมันก็รู้เร่างของกิเลสแหลมคมได้ประานั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วมรู้ไหมท่านนะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่ถงถึงกิเลสเหนืยหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอะไรมาแสดงรวดหลายไปนี่เมื่อทํามันเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้ว อ, ออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นมะเออออกมาพอยัดมันกับพุ่งเลยนั่น สติปัญญาที่ที่เกรียงกาที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตกิจให้มันม้วนเสื่อนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าต่างทางไม่ทันเนี่ถึงขั้นท่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นท่ามันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่ท่านไม่เป็นอะไรมาสอนเอมันมีวิธีการที่จะอธิบายรายได้และหลงภาวนามายปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองเพื่อจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาเลยอ๋อ กิเลสทางไปด้วยเห็นนี้เอออ้นี่ถ้ากิเลสยังไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจมั่นใจไปโดนดับด่าแล้วพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อนายก็เชื้อเธอถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ม้ยังไม่ม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กําลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นัดเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดถึงหมดถึงหมดไม่เป็นเท่าเป็นฐานหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟั่นต้องเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วย อำนาจของมหาสิมหาปัญญาที่มาจากภาวนามัญญาปัญญาจะเป็นที่ไหนไปทำ ม, มาที่สดสด้ อ, อ น, นอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเรานี่ยไม่กลางวานันที่ไหนหรือไม่เอามาใช้มันจะนนู้ดตราวุธก อ, องทัพภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้มันก็เป็นสตาบุตรอยู่งั้นน่ะเราก็ต้องจมอยู่ในนะฆ่าศึกนั่นเองหาที่โผลขึ้นม า, มาได้ดีไม่ดีตายอยู่ในทาการฆ่าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามานํามาใช้นี่มีเท่าไรก็ไม่นำมาใช้เกิดไปอยู่อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้า สอนว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอถ้าสอนว่าอย่างไงมันควรจะเามาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือประกาศกลางวันนั้นว่าอาการลิโกอากาลิโกหมายถึงอะไรทําเหล่านี้เองเป็นอาการลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะอั น, นเรื่องถึงผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติย่ามาสนใจคิดมากนักถ้าเรื่องของเฉลีมันกล่อมแล้วเร็วนะออสมัยนี้ม็อกม็อม็มนกผลนิพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วเ็อกผล น, นิพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติถ้าเราก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดพูดมันไม่เด็ดปฏิบัตินี่ ผูนะ้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รีรู้จะเห็นมรรคุณิาพานไม่ใช่ผู้ปฏิผู้เป็นปฏิบัติเลิมมาให้คะแนนของใครต่อใคร ท, ทั้งทั้งที่เจาของไม่มีอะไรความรู้งโง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นนี่ขาได้เป็นขติความรู้งเจ้าของไม่มีนั่นเหนไม่เชื่อที่เชื่อกลโนเพศนั้นชาติดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตัดสรุแล้วทําไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าบ้ารับหูรับตาขุดอยู่นั่ น, นมันไม่เคยพาวนา นั่นหรืเชื่อคนประเทศนั่นหรนือมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีมนีม่มรรคผลนิพพานเจ้ามรรคผลนิพพานใดมาอวดละ่ะผู้มีมีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่สุภาษิตธรรตับได้ชอบแล้วนี่บางอย่างผู้เจ้ารู้จั ก, จกทําเหล่านี้นะภาษาภ่าะรู้จักทําเหล่านี้เห็นจากธรรเหล่านี้พ้นทุกจากทําเหล่านี้ฆ่ากิเลสมุ่นเสื่อไปด้วยทําเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ค่ากิเลสไปไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเอพังซ์เพวกนี้มันตายขี่กับจีบกัน ก, นกน็เรื่องของเขาขเดินไปย เราพุทธิชนลักปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไม้ดวงเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้นี่ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกใหช่างเขาสิแล้วปัดออกสิที่เรียมันเหมือนุืนเหมือนไฟลากสกินาเป็นไงไฟคืออะไรนั่นโทรศส ก, กินาหมกสินาฟังสิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไม่อยู่ในหัวใจเวลา น, นี้โลกทุกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษัองมันอยู่หรือหนึงจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบาย อวันไหนก็ว่าสภาสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดหัวใจนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าจีนนี้วิเศษอยู่หรือทำที่วิเศษที่พุระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโล ก, กทานมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทําไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณ์ที่ตั้งปัญหาถามเจ้าของคนาดื้อถามไม่ดีะครูบาอาจารย์ ว่าให้ก็เหมือนกับว่าดุดา마ก่าวบางทีเกิดมุศิษยิอะไรอะไรในใจแทนที่จะเป็นขีเดล็กมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นทํามันกลายเป็นขี้เดลขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างัันถ้าลงไปอย่างนี้แลไม่เป็นไรเจ้าของอืมเอาเอาหนาวันนี้หนาอ่อืมจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดขาดหนาวันนี้่ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบๆบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หมาเหัวใจเรามันจะเป็นทํามได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัศ์ขึ้นมานั่น เราพิจารณาสิพานิ้งใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยําที่สุดได้เมื่อได้อุบาจากกูบาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟวาดลงไปใช่ไนี่เลยมันม้วนเสือโดยเหตุนี้เองมันไ ม, ไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทํามาแล้วนี้มันเป็นยังไงอืมมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะ่รับพอแล้ว นี่ค so right ือหนื่อยๆไอ้ที่เราหยุดไปแมาก็แค่ก็ใจนแต่ังเน่อยู่แค่นี้ว่าอยู่แบล็คา่างมันก็สบายมันหนึ่งนะก็กรรมดีขอนมันอยู่ถระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำจะว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วย ดูยิ่นมันมีอะไรอยู่นในหมาตัวหนึงหนึ่งเนี่ยเรียนธรรมะให้กันหนึ่งท่ามันเห็นมันทรลุปไปหมดค้านวเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามทำทุกพ์วเจ้าณสงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจกากกราบอย่างลาบเท่านั้นเนองของเท้ของจริงแท้ๆไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกจีบออกตลอดเวลาทุกขณะ ทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่แต่ทาแล้วจริงนะแม้แต่ส่วนหยาไปถึงส่วนละเอียดเสียดชุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วน่ะสังนิพนธ์ในใจิตใจแล้วมันเอาเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มามาเป็นตัวของตัว จ, จนหมดนั่นเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปทั้งหมดอไม่รู้ทำมัวรับทำ เบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปอืแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วเวิร์ ก, กอกหมดพัองออกหมดนั่นแม้จะอยู่ในร่างนงั้นก็ตามพฏิเสมันก็รู้นะอ น, นี่คือเนื้อคือหนังแล้วพูดว่านี่คือดินคือน้ําคือลมคือไฟนี่คือจิตนะมันก็รู้เอง ไม่มีใครบอกถ้าลงและพิจารณาตามพระยาทรงสอนเนี่ยอธิยศเนี่ยวิสติปัฏฐานสีนี่ยแยกธาตุมันเนี่ยเอวิชาแยกธาตุละเนี่ยพีจนราเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทําไงทีเนี่ยเอะให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลาัยงไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้ออ อยากรู้เท่าไรมันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นอยากรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นไม่น่าที่นางจะไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านเชื่อทั้ไงได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้บยงทมันต่อสู้ขู่หรือจะว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยพิเดษพิเลษกับทํามันเป็นค่าสิ่กันมันต้องทัดท้าตามทานตลอดเวลาขัดเย้ยงตลอดเวลาขับเย้่ยงทํา ยังไม่ถึงไหนเล otte? ต้องได้เดือน <Are S 1> หน <The> stones stones <The ึ <ora> ่งพอดีแล้วนะถ้าวรรษานี no e ่จะมาเดือนเดือนวันนี้วันแบมความพอดีแล้วนะไม่ถึงไม่ถึงไหนจะมาเดือนแล้วนะเล่าไม่ได้นับอะไรนะไม่สนใจเลยก็เห็นมื่งกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงอีกใครจะว่าว่าว่าอปก็มันเป็นอย่างนี้อยิ่ก็ไม่ทราบใครนับแต่ละนั่งหง่าก็นับมาหยีตั้งแต่วันเกิดมาเลยนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายโรคภัยนับมาก็นับมานี่อะได้เห็นได้เรื่องอะไร ความจริงมันจะมีแต่มือกับแจ้งอย่างนี้เองเออแต่จะแต่เป็นอารมณ์แย่กับมันนะความหวังมันเป็นบ้าอย่านั้นก็คือว่าี่เลสนะพาให้หวังมีแต่หวังแต่ยังหวังอีหวังเงื่อนถ้ไอผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังมีแต่เจ้าหวังเงื่อนเนี่ยจากมือกับแจ้งที่กันนั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนี้จะเป็นอย่งนั้นโอ้ยหวังอือ มันกระเพิรนในความหวังนะมันทําให้เพิรนในความหวังเมียนหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปอีกไปไปจับสิ่งนี้รือสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพิรนอะไรเป็นบ้าหรือว่า <c> เ <oughs> ขาจะว่าเขาจะว่าเราบ้าเลยเพินอะไรเป็นบ้าเลยวมือกับแย้งนี่มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วนี่นะเพิรนอะไรอันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะอความจริงเป็นน้นพิจารณาจิอมันถึงคือ เขตถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุติเต็มส่วนแล้วทุกอย่างแล้วเดี๋ยวทําทยัางไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงถ้าจะว่ามันก็เป็นไปตามอากิน ต, ตรงนั้นมันก็มันมันไม่เป็นไปตามก็เหมือ น, นอย่างโลกนี่ยใคจะว่าแล้วมันไม่เป็นไปตามมันเป็นต้งวันนี้นะนึมือกับแย้งหนึ่งแยงนี่มันจะเป็นไปตามไข่ ร้อนก็ร้อนอยาน่างหนาวก็หนาวเป็นวันอย่งนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวงเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะ พ, พอดีหมดเนะไม่ปรับ้ระพุาธเจ้าเนี้เอิปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มเสียงภาษาโลกทั้งหลาปรับจิต ของแต่ละแต่ละองค์องค์นั้นได้เป็นจัตเต็นส่วนพอเหมาะพอดีไม่มีขันอยู่ทัานก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะเพราะท่านไม่มีอะไรก็จะเอาอะไรไปดุ่นก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยอู่เป็นอยู่ธรรมราดากว่าอยี่เจ็บไข้ไปป่วยพอดีจนกระทั่งจะตายไปพอดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วอไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมุนม คิดอนนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรมันเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะไปเสแสร้งอะไระเคยเสยแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะตจตัดแตกจากไทยกันนี่แล้วพวกเรานี่จะมาเสแสร้งอะไรประธานองค์ไหนที่ท่าน บันรู้ธรรมถึงขั้นอรหันไปแล้วไม่รยินไหมท่านมาเสีดาสมุดเคยมีไหมเนื้อพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แวกแนวว่าเป็นอย่างนั้นน่ามาตั้งแต่ผู้ทีเจ้ากี่ล้านล้าน้านพระองค์แล้วพรสาวกของผู้ทีเจ้าแต่ละพระองคนั้นนับไปกี่ล้านล้านล้านล้าน้านล้านหรอมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียด้ยโลกท่านหลงท่านท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมันอยากหลงอีกมีองค์ไหนมีนาแค่ ไม่งั้นจะเรียกว่าบรงมาสุตได้ไงเรียกว่าเลิศได้ไหนถ้ายัางจะมาหลงเอาอะไรมาเลิศมันก็ไม่ถิดกันเลยกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติสับสมเป็นเตงกับสมมุตินั่นจะมาเชิดายสมมุติอย่างไรเออมันที่ยังมา ท, ทําสูตรเอื้อมของคนมีกินเลสนั่นก็มีข้อแม้อย่างนั้นทาสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลยเนี ทำพอเหมาอพอดีของท่านผู้ชินไปแล้วไงย้าท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถานะ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขนาดที่มันยังหลงอยู่มันมันก็เป็นอาถานพมันเป็นไปไมได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนย่งเรารับทานฉันอะไรตมันยังไม่ถึงขั้นอื่มถนาอยากให้อิ่มในขนาดนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปนุ่นไปมาที่มันก็ถึงขั้นอื่มเองไงอันนี้ก็เหมือนกัน หนุนไปหนานไปพอถึงขั้นเป็นที่แลงจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันเป็นอาถานะของทำขั้นนั่นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถานณะอยู่จะให้รู้เดี๋ยว น, น, นั้นไม่ได้เนี่ยนั่นเรา อ, อ, อาจารย์กินนะอาจารย์พุรธิจารผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็น อันดับหนึ่งเลยสาวโ้ทั้งหลายก็อาชาจรรย์แต่ว่าได้สะดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละโพงโพงนี่ดไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมท่านที่ท่านทําความปรารถนาจะเกียรตะกายมาอย่างที่พูดอี่กินเมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยาผูนะชงรู้เองถึงกันเลยดีขึ้นเลยทากลาง กิเล็ที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสสามโลกธาตุมีหนาขนาดนั้นฟังสิกิเลสหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามผูก็คือรู้เองเป็นเองง่างยๆส่วนสาวกต้องได้ยินไม่ฟังสาวกต้องในระดับได้อุบายวิธีการตางจากครูเจ้าแล้วก่อน ถึไจะนำมาปฏิบัติมาปรับตัมาแก้ไขตามทีนสมณะอะไรเงี้ยแลว้วมันก็ค่อยๆเจอไปเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองัรง น, นั้นเป็นเรื่างง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นทีง่ง่ายของท่านก็น ง, ง่ายเสร็จออกอันมากเลยกเป็นกษัตรย์นยี่เสร็จออกไป ช, ช่วงพนวดหกเจ็ดวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพวกก็ต้องจัดไว้ตามความเป็จริงของพระองค์นั่นเอ ง, เองเท่านไม่มีเอียงท่าบอกว่าท่านลาบากท่านก็บอกว่าท่านลาบากแค่ชนทั้งท่านก็น้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบถึงแปดสิบก็ผึงเลยใช่ไหมนะผิดตรงไหนเอกนรณีหนึ่ ง, งไม่มีสองพยายามอย่างาชาติชดเจนแล้วไม่เป็นสอง พอถึงงันนั้นก็เสด็จไปนิพพานไาเลยภาษาเราเดียว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยอย่างตามท่านท่านเสด็จทอ่ผูู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะจะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงสวยทุกเวทนา ในเวลาที่กําลังเระเดใส่ตามตามที่ว่าทรงเหียบหน่วยนไม่ได้แหละอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะรับสั่งพ้าอนุน อ, น, อ น, นุนไปตัางน้ําจากแล้วเท้าข้อดื่มาตาข้อสหายน้ำมาเนี่ยหนึ่งเท้าข้ล่าสังนขาติดเท้าข้อหน่อยมากจับพักอ่าพาสังขาติ ลาดก็คือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าราดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองราดเองแล้วเพยายมากเี่น้ำนั้นเร า, เาจะพากันนี่สั่งน้ํ า, า ม, มาให้เราดื่มนะเราหายหน้ํา ม, มากนะอืที่นี้นเราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่กีเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเย่างเดียวกัน ผู้เรียนมันเห็นแต่ครั้งกี่เป็นเดียวกันผู้ที่ชาติสวยทุกฤดูรีนานะไม่สวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอ น, นุน ไ, ได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ้อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้อตอบกันอันนี้มฟังเฉยแต่มันไม่หลีกนะเพราะมันเป็นจุดสําคัญคแบบวง ก, ก็สวยทุกฤดกรีนนะ่า ไม่สวยพระองค์จะว่านั้นได้ไงขนาดนี้ก็ขันมันยังเป็นได้ทําไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทําไมจะว่าไม่ได้เพรามันเพียเนี่ยวา่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยูอ่นั้นพุทธนที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะด้วยที่เอาว่ามันยังนี่นี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่ออกหมดแล้วยอย่างนั้นถ้าเห็นเร่องนั้นเอาสิ เนอ่ยทมันจะไม่รู้อะไรเป็นไรหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นเลยแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นตับขันนี้เป็นงี้มันก็เป็นนั่นแ่ะแล้วทําไมจะพูดไม่ได้ล่ะเออแล้วมันจะมาเฉลยกันตรงไหนน่ะนั่นว่านเรียกว่ามันคึกคักไปดินะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันไปจักอีกนึงไว้ใจนี่ว่าเขาจะว่าบ้าอะไรตี่ มันอาถรรพที่จะพูดคนนี่น่วอย่าว่านั้นตาบอดไม่ดูเหรืออย่าว่าอั้นพระยาต้องสอนอะไรอย่างนี้ลนะ่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรม่รอสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็ดี่น้ำเห็นสิอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้อย่าว่างั้นะนี่นแล้วแล่ะท่านเสด็จไปในตํารางอนุอนนลักษณ์สังฆาติเราจะพักผ่อน น, ะนั่นเพียรมากเพียรตำทนขันถ้าพูดตามานั่นมากถ้าพูดตามสาษาเราสมัยทีกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี่ พักเครื่องมันหน่อยอเครื่องมันร้อนมากเพราะว่างั้น่ผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร่างมากต่างหากไงรถหมดหน้ำเ า, าน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยมาพักเครื่องมันหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยเขาเดินทางเขาเดี๋เขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถ รูปเวท น, นาสนาสังขารมิจาริอาการท้านเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมุติจรงมีอณิจ ang ตุกังหน้าตาติดแนบไปหมดอณิจ ang ตุกังหน้าตารูปังอณิจ ang เวทนาอิจารเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าแ ม, ม่รู้ความจริงเป็นนั้นเป็นนั้นเห็นอยู่งั้นได้อยู่นั้นจะไปคาบกระคานไปแย ก, กแยกออก ความจริงนั้นได้ไหมความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้ <c oughs> ม่นค็ไรู้อย่างที่อรุณเจ้าเสวยชมโฉยทุกเวลาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าลาดสังกาติอันนั้ น, นเราเหนื่อยมากได้ไหนะเนี่ย <c oughs> ไมรู้ว่าขันติดเครื่องไปอี ก, กไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักจนกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปริญญผานัางนนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนาะ พิจารณาจนกรทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับ พ, พท้าชาวกวัานาใครยังมีข้อของใจสงสารอะไรอีกอพูดมากพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปริญิาผานพอถึงเวลาแล้วนะเห็นไหมท่านองค์ท่านพระท่า น, นที่ตรงไหนทำหน้าที่ปริญิาผานก็ไหว้หลวไ ด, ด้ให้เต็มองค์ศาสดาเลยทรงเข้าประถมมชานทุตยชานเรื่อย ผู้ตามก็ตามเป็นนะพระอนุทาตามพระกิจของพระพุทธเจ้าเคยเข้าปฐมฌานทุตีฌานตัตตีฌานจตตีฌานก็ตามเรื่อเป็นรูปฌานสี่ออกทางนั่นก็เก้าก็สู่อรูปฌานสี่อากาศสารใจชนะวิญญาณใจอวินญญาณนนศัญญาณนสนัญญาเก้าไปเก้าไปจนท่านถสัญญาเวทายนิโรธสมาบัติมา ดับสัญญาเวัตนาหมดสัญญาความจําอะไรๆหมดเวทนาคือทุกเวทนาในชานในขันมันหมดแม้แต่มาที่เวทนาในจนะิตเวทนาในขันอาการป่วยพระชวนของโอ่งหมดหมดับเดี๋ยวเราไม่มีชานเรา็ยังตัวเท่าตั้งนีเรา็ยัาง ถึงช่วงมันดับเราก็ยังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั้นก็กดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลืวแต่รู้ล้วนๆสักตัว่รู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเหลือหัวก็ไม่ใช่ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตอนพูนไปแล้วนะตาหูจมูกร่างกายเป็นธรรมะตอนพูนไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่น มันยังรู้ใช่ไ ห, หมพระเจ้าองค์สักดาแล้วแม่ท่านรู้ได้ไงรู้ลปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลา น, ะนั่นถ้าว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลยร้อปอร์เซ็นตถอยมาก็ไม่หมดถอยออกมาเรื่อยๆอย่างาพระเจ้าป น, นิพันธะ์นั้นเลยเป็นพระอันนนท์ถามเรื่อง คือพระอีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบเถอะว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงของขบวนทวนมันเปนะรีออยนะถามมา้งเนี่ยพระนุษย์พระนั่นแนหะให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุเจ้าศูนย์ใหมอมกล้าเขาาเา้าสู่ธรรมชาติถ้าศูนย์ได้อะไรครับกล้าเข้าไปและจิตเป็นจิต บ, บริสุทธิ์คือตงไม่ยั่งแ้วถ้าจิตมีกิเลส ที่บริสุทธิ์ก้าวเข้าถู่ผสมมัชฌะผสมมัชฌะนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์ก้าวนะเห็นไหมศูนญไปร่ติฌานตุติฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาทัายสายรอดเมื่อถ้าจิตที่บริสุทธิ์นี่ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนศูนสูหม่ถ้าศูนย์อะไรไปก้าวเนออะไรไปขาดสัญญาไปสายรอดจนถอยมาถอยลงถอยลงจนกระทั่งถึงประจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้ 9, กวก้าวขั้นที่สองเนี่ยเข้าผสมมัชฌะเพอะออกจาก ชานศรีรูปประชานศรีนี่แล้วนีอ่กออกแล้วน่าสมมุติอรูปประชานศรีก็เป็นสมมุติรูปประชานศรีก็เป็นสมมุติพอะก้าวขากลางนี้แล้วพุ่งเลออกเลยงั้นอนะไรที่เมื่อมีภาพถึง้วแต่ว่าพาาระจึงพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคถึงก็บอกได้ว่าเวลานี่อยู่ตรงนี้อตรงนั้นบนไม้ชาญไม่ดีชาญดีชาญนั่นดีชาญมันมีที่ภาพถึง พอที่ว่าเนี่ยถ้าจิที่บริสุทธิ์นั่นะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพราะออกจากนี้ไปแล้วปฏิพญาผานแล้วอาารเพราะว่าปริญญาผานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นจิน้นเกศแล้วไม่สงสัยว่าปรินญาพ่านแล้วปฏิญญ า, าอย่างไงสงสัยอาหารอะไรเนี่ย น, นจครปฏิญญาผ่านก่อนส่งไว้วดวลลายของาศาสดาเต็ม ท, ที่เลยมีวัดสักไม่ดวายท่างสุดท้าย เต็มภูมิศาสนาว่างนันเถิดเพราะผู้ตุยใสัยเป็นท่องคันมากเ น, นี่นะนนความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาลาวนี้มันมันกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะนี่ทําไมมันนเป็นี่เหลื่มันนับวันดื้อได้เขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนทั้งฆราวาส หนาแน่นว่หนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั่นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดับแล้วจางจากึกษาธรรมนั้นนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทานั้นมากเข้ามากนี่มันเดียกายเป็ความดื้อด้านกันมานนฮิริโแต่ป่าเลยไม่มีนี่พี่น่าตื่นเต้นอย่างนี้เราก็บวชมานี่ไปกี่ปีก็ดูดู กิรยอาการของพระของเนมก็ดีของใครภายครระดมันเป็นรดับหนาทั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่ไม่เห็นมากมายนะไม่เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับทำรรที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งเห็นชาวพูดทั้ทงเรามันเป็นยงไงมันเป็นอย่างนั้นจะว่างเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปด้วยระดับหนาเนี่ยมันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่า ได้ทําเห็นทำเนี่มันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นไม่จังนี้ก็ได้กี่เดือนคนที่ดีอนอยู่ที่เดือนี่เดือนเผลอเหรอเวลาประมาณเวลาว่างของอยนีอะไรไรใช้เวลาไปใช้เลยนะเนี่ยมาถามมันี่ยมาบอกมาขอเรานี่ยตั้งแต่รับประเขีนแล้วไม่ว่าอะไรๆเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องวนี้หมู่เพื่อนของ กูดูรูแล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนแะ้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดีเอ า, าเแล้วนะ<ม>นั่นปนะัญญาละเสร็จ